เรื่องปลูกพืช304สมัยนั้นเขาปลูกพืชของสง์ในที่ของบุคคลปลูกพืชของบุคคลในที่ของสง์ภิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพืชของสงที่ปลูกในที่ของบุคคล พึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคได้พืชของบุคคลที่ปลูกในที่ของสงพึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคได้